การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทามาหายเรื่องธุรกิจการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะทําให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายแล้ยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทำให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ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 มีความดุดดื่นไม่พออกพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นใน ม, มีความพิ่ารณาตรองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกก็ย่อมไม่ค่อยทาบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียคีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหวเข้าไปโดยลํำดับต่อไปก็มีความว่าพอ่อและทานก็ผิดการทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการพูดปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเราคำบ้านติดดินใส่เข้าไปปุ่นตั้งปึ่นตั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยักรมก่็เดินกับท่านนัน่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทําแล้วก็ทําแต่อาการของกิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเรามันมองเห็นเห็นแต่กิจยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียว่ามีผิิยดพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั่นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้สองขี่เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เลยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่คยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําทให้เราดึกได้เราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนทีนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามทำวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ไห้ปรากฏขึ้นมานักมีเรียกว่างานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอริยาบทอของส่วนร่างกาย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 ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานีม้มีสติคุณในงานเอาขั้นสติสะก่อนว่ามีสติระลรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลไม่รักไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากคิดว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลนั่งคิด ไปพิงกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่าการศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตองอะไรคำนองนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นรื้อแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนตากดผลขึ้ น, นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนนความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูย้นี้งไงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วอย่างไงบ้างช้าอ ย, อย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือชา้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กําหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนอยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่พลาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความทํานานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชา ต, ต, ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องจำหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งคำที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยแต่เคยมีความพุ้งซ่านบุบบาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความพยศนั่นเป็นเรื่องของกิเกลสเราก็ทราบันและการดัดพยชน์นั่นก็คือธรรมเวลานี้เร า, เราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความปรพยชน์เหล่านั้น่นะเมื่อกําลังพอกันแล้วความพยชน์นั้นมันก็ลบตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับมีเรียกว่าง่ะงานของจิตผลแห่งงานได้จากความสงบรล่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในกิตใจ คลองแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคลวด้วยทําความพากเพียรไม่อึดอัดเหน่อยน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนนึง่งระยะต่อไปก็เริ่มแร่ขึ้นไปเรื่อยๆเส้นเดียวกับเด็ดค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ําเสมอก็จะ แสดงความคล่องแคล่วแกวกล้าหรืมีความชำนานผลที่ปรากฏก็คือความสงบล่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน้างหูซใายตายในตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสรุปสติปัญญาให้รับทาพให้ค้นคว้าให้พิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบพอจะเข้าใจ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 เรียกว่าอาริยทราบคือทราบภายในถึงขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอินลำบากลําบนอยู่ที่ต้มไม้ภูเขาในตามค้ำตามซอกเขาที่นั้นก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความท่าเพียรผลที่จะตุ้มได้รับก็ต้องเป็นไปโดย ล, ำลํำดับลําดับเอย่างอาริยผลค่อยปรากฏขึ้นมา เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่ออกล้าเราออกค้นตามล่าทิเลตขึ้นทิเลตไปเจ้ายุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเจ้ากวาดเจ้าต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตัวเองเป็นผู้แบกบผู้หามเป็นภาระให้กดขวั่งมากมายไา้แต่ประธานเป็นผู้ไปเจ้า ย, ยึดถือมาทิเลตก็ตามล่ายึ้นตามล่าคิดตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้น คืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงติตกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้ที่พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษในความเป็นทุกขตนโดยลำหักลำหนับนี่การพิจารณนานแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางเหูเขาตำหนิเรา หรือความตมิครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิจารณารู้ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตํามิติชมของสิ่งนั้นๆหรือของคนนั้นๆเราได้สติปัญญาโดยลําดับลำดัมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณา หูท้งจมูกท้งลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจตรงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุกเรื่องทุกข์เรื่องอดิเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดิหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนับลำหนานี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจและก่อนวาง สิ่งที่เคยหนักห่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลานานแล้วคลอดป่อยวางลงได้เสืตอมหน้าของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลังและทราบโดยลำดับลำนับเช่นนี้มีเรียกว่าผลของงานหสติปัญญามีความสามารถหีืมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางระมัดระวังเกี่ยวกับตามต้อนตามล่าพิเร กิเีลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัญนั้นสำคัญหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงราละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่มนมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชน ะ, ะไหนก็ต า, ามย่อมจะเกิดความลังไยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆด้จึงต้องไปคลี่คา น, นดูให้ดีรละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ย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 สัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดจุดใดจะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาทีนี้ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแล้วทีแล้วมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระโทบโลกธาตุจะวานไหลเพราะปัญญามันวิ่งเต็มที่กว้างขวางมากมายลึ ก, ล, ก, ล, ก, ล, กลึกกว่าลึกสูงกว่าสูงกว้างก่็กว้า ง, างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรุ่นนึิงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นถึงนั้น เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลํำดั บ, นนบแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยปุ่นยังไงตามล่าจิตเดชของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงท่าวงขันเขาพิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลํำดับลํำดับ เข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่าที่เลศ ก, ก็ถูกถเรียกว่าล่าที่เลศ ก, ก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทำให้ใจสงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหาสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทำงานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทำงานของธรรมนกระทั่ง แติปัญญามีความคล่องตัวนั่นที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเรงบันเทิงด้วย ง, งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดเป็นอยู่ตลอดเวล า, วนนาวลยิ่งเต็นขนขวายิ่เรื่อยอยเนี่ยเศษฐีมั น, น, นยิ่งมีความขยันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียดเนี่ยปิดกันน ะ, นะเศษฐีแทนที่จะ น, นั่งจะนอน สบายสบาอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นพอายิ่งวิ่งเต้นขลังขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต็นขลงขวายก็ให้ได้มากองขี้เกั็บขี้เกียดนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียดพอรู้พอเห็นพอเข้าใจก็ไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยจนกระทั่งรู้เข้าใจลึกซึ้งอาไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียร เป็นกับตาก welche, ็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นเขาให้ได้ให้ถึงนั้นมันหมุนมันไปเองเอาให้จงกระทั่งลงทะเลหลวงตะตู하루하루 стати, มหมดสมุดนั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวงนั่นมันก็หมดปัญหามันเองเร่องความภาคเพลินท right. ี en ่หมุนตัวเป็นเกลียวียทำมาจากนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนก็ฟาดจะฟันมันแหลกัตลอด มันก็มีอะไรที่จะหมุนกระซ่ากรฟันกระฆามันกระแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโซดาปติผลสกิทาคาันผลอนาคาันผลอรหัตตผลขึ้นไปโดยลําดับลําน่ำนับถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเนี่ยอรหัตตะผลกับนิพพานสมบัติก็มีอะไรผิดแตลกกันถึงขั้นอรหัตตะผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่ สมบัติขงท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกลูงรังอยู่ภายในใ จ, จิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลาดับฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่พรถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาด้านด้วยสิ่งตกะตะกัตโต๊ะมง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 เพราะงานแก้ขีเด็กไม่มีลายผิดกันขี้เด็กเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแกร้กีเด็กจริงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัดจิมาปฏิบัติฐ า, าและแต่ความหนักของผู้นั้นจะมีจิตนิสัยหนักอะไรอมาขุดมาค้นเอามาใช้เกิปดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัดจิมาอันเดียวกันผล ท, ที่เกิดได้รับกนะ็คือความบุดท้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกรทั่งถึงบุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทามทางด้านจาิตใจิึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนัไปนิดพิจารณาให้ปรากฏขึ้นพันในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมนี้จึงขอยกจิตยังตรงนี้